วันนี้พวกเราจะมาพัฒนาจิตใจของพวกเรากันเพราะจิตใจนี้เป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดมากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะจิตใจ เป็นของถาวรเป็นของที่ไม่มีวันจากเราไปแต่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้รวมไปถึงร่างกายของเหล่านี้จะต้องมีการจากเราไปในที่สุดดังนั้นไม่ว่าเราจะพัฒนาอะไรก็ตามพัฒนาให้ดีเลิศขนาดไหนก็ตาม ในที่สุดก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปมีวันพัดพรากจากกันอย่างอาณาจักรต่างๆในอดีต ท, ที่มีมนุษย์ได้สร้างกันมาตอนนี้ก็กลายเป็นซากปรากาัพังไปเช่นกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยา ในอดีตก็เคยเจริญร่วงเรืองพอได้รับการพัฒนาจากมนุษย์แต่ในที่สุดก็จะต้องมีวันเสื่อมสลายหมดไปแต่จิตใจนี้ถ้าได้รับการพัฒนาแล้วก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปตามลำดับ ความเจริญของจิตใจนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับโลกิยะกับระดับโลกุตตระระดับโลกิยะนี้ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่คือเจริญได้ก็ยังเสื่อมได้อยู่แต่ระดับ โลกุตระนี้เป็นระดับที่มีแต่จะเจริญอย่างเดียวจะไม่มีวันเสือ่อมระดับโลกุตระนี้จะปรากฏให้โลกได้พบได้รู้จักก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็จะไม่มีใครรู้จัก ธรรมที่เป็นโลกุตระนี้ไม่รู้จักการพัฒนาจิตใจที่จะทําให้ไม่มีวันเสื่อมทําให้ไม่มีวันที่จะหมดไปแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ทำระดับโลกุตระได้เราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปจากระดับโลกิยะก่อน ระดับโลกิยะก็คือระดับเทพระดับพรหมส่วนระดับโลกุตระก็คือระดับพระอริยบุคคลสี่ประเภทด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิดาคามมพระอนาคามีและพาาระอรหันการที่จะ พัฒนาทำขั้นต่างๆนี้ได้เราก็ต้องรู้จักวิธีพัฒนาวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพัฒนานี้จะเป็นวิธีที่จะทําให้เราได้ทั้งสองระดับคือระดับโลกิยะและโลกระดับโลกุตตระตามลําดับต่อไป ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกก็จะรู้ได้เพียงระดับโลกียะเพราะมีการปฏิบัติมีการเผยแพร่สั่งสอนมาทุกยุคทุกสมัยคือการทำทานการรักษาสิงและการ จเจริญสมถมภาวนาทำใจให้สงบการปฏิบัติสามขั้นนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติขั้นโลกิยโลกิยะก็คือเมื่อได้พัฒนาจิตใจขึ้นไปเช่นจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหมพอร่างกายนี้ตายไป ก็จะเป็นไปตามระดับที่ตนเองได้พัฒนาถ้าได้พัฒนาถึงขั้นเทพก็จะเป็นเทพถ้าถึงขั้นพรหมก็จะเป็นพรหมแต่ทำระดับเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือไม่ถาวรมีเจริญมีเสื่อมได้เป็นธรรมดา ดังั้นผู้ที่ได้ไปสู่พรหมโลกหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะต้องอยู่ในพรหมโลกสวยบุญของของระดับพรหมโลกไปจนกว่าบุญนั้นจะหมดเมื่อบุญหมดจิตก็จะเสื่อมลงมาสู่ระดับเทวโลกแล้วพอบุญที่จิตได้สร้าง ไว้สาหรับระดับเทวโลกหมดไปจิตก็จะเลื่อนกลับลงมาเป็นมนุษย์ใหม่มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทาบุญทาทานกลับมารักษาสิ่งกลับมาภาวนาใหม่นี่ก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนาของจิตใจ ในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัสโรเพราะจะไม่มีใครรู้วิธีที่จะปฏิบัติทำขั้นโลกุตตระไม่มีใครรู้จักอริยสัจสี่ไม่มีใครรู้จักตายรักอนิจจงทุกขังอนัตตาอาจจะรู้เพียงสองคือรู้จักอนิจจงรู้จักทุกขงังแต่จะไม่รู้จักอนัตตา มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวที่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้ครบทั้งสามองค์เกิดเห็นอนิจจังเห็นทุกขงังและเห็นอนัตตาและเห็นอริยสัจสเห็นทุกขังว่าเกิดจากสมุทัยคือตันหากามตา ะ, ะตันหาวภาวตันหาวิภวตันหาเห็นการที่จะดับความทุก ว่าเกิดจากการเจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะปัญญาคือการเห็นใจลักนี่เองที่จะทำให้สามารถละตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้นั้นการที่ได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นโชคมหาศาล ยิ่งใหญ่กว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งซะอีกเพราะการถูกลอตเตอรี่ร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่สามารถที่จะทาให้จิตใจพัฒนาไปถึงขั้นระดับโลกุตตะทำได้ต้องมีการได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ได้ยินได้ฟังเรื่องวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ในสภาวธรรมทั้งหลายให้เห็นอริยสัจสีที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกทั้งหลายนี่แหละเป็นถือว่าเป็นโชควาสนาของพวกเราอย่างยิ่ง พวกเราอาจจะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีไม่ได้เป็นมหาจากักรพรรดิไม่ได้เป็นประธานาธิบดีไม่ได้เป็นอะไรต่างๆที่คนอื่นเขาได้เป็นกันแต่พวกเรากลับมีโชคมากกว่าพวกนั้นเสียอีกเพราะเราได้พระรัตนใจรัตน์ก็คือเพชรนินจินดานี่เองเป็น เพ็นหนึ่งจีนดาชนิดที่หายากที่สุดนานๆจะปรากฏขึ้นมาให้เป็นสาระเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกอย่างพวกเราสักครั้งหนึ่งถ้าใครก็ตามได้พบกับพระรัตนตรยัยแล้วมีศรัทธามีความเชื่ออย่างแน่วแน่มีวิริยะอุตสาหะที่จะปฏิบัติ ตามแนวทางของพระรัตนตรัยผู้นั้นแหละถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมีวาสนาอย่างแท้จริงเพราะจะได้สัมผัสกับโลกุตตรธรรมขั้นต่างๆ ต, ตามลำดับต่อไปอย่างแน่นอนอย่างที่พระ อ, องค์ทรงตัดไว้แล้วว่าถ้าผู้ใดมีความศรัทธาที่แน่วแน่มีความอุตสาหาวิริยะ ที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติในภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้ย่อมได้สัมผัสกับโลกุตตรธรรมนี้อย่างแน่นอนและก็กันอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เพราหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สัตว์โลกก็ปรากฏมีผู้ที่มีจัมีจิตศรัทธาเลื่อมใส น้อมนำเอาไปปฏิบัติด้วยความอุตสาหาวิริยะทุ่มเทชีวิตจิตใจทั้งหมดให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆตามลำดับที่เราเรียกว่าพระสังฆรัตนะ สุิปันโนวุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติต่อการหลุดพ้นปฏิบัติอย่างถูกต้องบุคคลเหล่านี้แหละที่เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นพระสุดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามี และพระอาหารหันต์ตามลำดับเกิดจากศรัทธาหลังจากที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความขวนขวายที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มีตรงไหนไม่เข้าใจก็พยายามที่จะหาคำตอบ เพื่อที่จะได้นําเอามาปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วพอได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับเพราะนี่คือหลักของเหตุของผลนั่นเองเหตุก็คือการปฏิบัติเช่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งย่อม เป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีความดีใจที่เรานี้มีโชคมีวาสนายิ่งกว่าบุคคลอื่นที่มีความเจริญในทางลาบยศสรรเสริญในทางความสุขทางตาหูจมูกร่นงกายแต่กลับ ไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงอาจจะมีศรัทธาแต่เป็นศรัทธาแบบผิวเผินคืออาจจะทําบ้างในบางส่วนเช่นมีการทําทานบ้างตามโอกาสต่างๆแต่เรื่องของการรักษาศีลก็ดีเรื่องของการภาวนาก็ดีนี้ยังไม่สามารถ หรืออย่างไม่สนใจที่จะปฏิบัติกันบุคคลเหล่านี้นีถือว่าสู้พวกที่มีศรัท ธ, ธาต่อการปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างเต็มที่ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีฐานะการเงินการทองที่ร่ำรวย ถึงแม้ ว, ว่าจะไม่มีตําแหน่งฐานะที่สูงส่งแต่กลับมีสิ่งที่ดีที่วิเศษกว่าผู้ที่มีฐานะที่ร่ํารวยที่มีมีฐานะที่สูงส่งแต่ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ เพราะเขาจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐ e คือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับถ้าเขาเพียงแต่ทำทานเขาก็จะได้สะสมทานนี้ไว้สำหรับสนับสนุนเขาในเวลาที่เขาจากโลกนี้ไปเือจะไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่อดอยากขาดแคลน จะไม่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องของการขาดเครื่องใช้ไม่สวยที่จำเป็นต่างๆเขาก็จะได้เพียงเท่านั้นถ้าเพียงแต่ทำทานเขาก็ยังอาจจะต้องไปเกิดในอบายได้เช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้เพราะการที่จะไม่ให้ไปเกิดในอบายนั้น นอกจากการทำทานแล้วเขาต้องรักษาศีลห้าให้ได้ถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ทำบาบ้างมากบ้า ง, างน้อยบ้างโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะไปเกิดในอบายนั้นย่อมมีแล้วแต่ถ้าไม่สามารถรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธ โอกาสที่จะต้องไปเกิดในอบายนั้นก็จะไม่มีตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทพตามกำลังของบุญที่ได้สร้างไว้คือทานและศีลถ้าทำทานและศีลอย่างต่อเนื่องและมีกำลังมากกว่าบาปที่ทำไว้ตายไป ถ้าไม่ได้ไปเป็นเทพก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้ารักษาศีลแปลดได้จเจริญสมถะภาวนาได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็จะได้รับผลในระดับพรมมโลกถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหม การปฏิบัติทั้งสมขั้นนี้เป็นการปฏิบัติในระดับโลกิยาคื อ, อยังต้องมีการเจริญและมีการเสื่อมไปเพราะยังอยู่ภายใต้กฎของลายลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ถ้าอยากที่จะก้าวล่วงระดับของโลกิยาคือเข้าสู่ระดับโลกุตระ ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมขั้นที่สี่คือขั้นวิปัสนาภาวนาคือหลังจากที่ได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาจะต้องเจริญปัญญาจะต้องเตือนใจให้ระลึกถึงคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เรเลิกถึงอริยสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมากตลอดเวลา ไม่ว่าจะสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามต้องมีปัญญาเข้ามาคอยเตือนใจอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นใจรักษณ์เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะเขาไม่เที่ยงเพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่ของเราวันดีคืนดีเขาก็จะจากเราไปได้ ถ้าเรามีายรักษณ์อยู่ภายในใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่ไปหลงอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสัมเสญความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายเราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ได้เพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าก็คือสมาธิความสงบ คือความสุขที่ได้จากสมาธิได้จากความสงบนี้เองที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเช่นความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียง ก, กลฑฑิ่นรสโพธภะนี่เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาเราเวลาออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราสามารถเจริญปัญญาได้จเจริญไปไหน เห็นอะไรให้พิจารณาว่าเป็นตายรักเสมอเช่นเห็นร่างกายของเราก็ดีของผู้อื่นก็ดีก็ให้พิจารณาเสมอว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนในร่างกายผู้ที่ เรียกร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเรานี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในใจคือสังขารความคิดปรุงแต่งสัญญาความจาได้หมายรู้เป็นผู้ที่ไปหลอกจิตให้ไปหลงยึดติดอยู่กับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราปัญญาจึงต้องมาแก้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นอนัตตา เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายถ้าพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆตัณหาคือความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่มีเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ความหลงที่ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะไม่มี พอพิจารณาเห็นแล้วว่ามันเป็นดินน้าลมไฟเวลาตายไปมันกลายเป็นอะไรไปหมดร่างกายมันก็ย่อยสลายแยกกันไปน้ำก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่งดินก็ไปทางหนึ่งแล้วมันตัวตนตัวเราของเรามันอยู่ตรงไหน มันไม่ได้เป็นของเราความหลงอวิชชาโมหะหลอกให้ใจจดจําว่าเป็นตัวเราของเราหลอกให้ใจปรุงแต่งคิดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องใช้ปัญญาคืออวิชปัญญาคือธรรมะการพิจารณาความจริงสอนความจริงให้กับใจ สอนให้เห็นชัดๆว่าร่างกายนี้มันไม่มีอะไรมันมีอาการ32เท่านั้นเองมันมาจากอาหารจากน้ําที่เราดื่มจากลมที่เราหายใจเข้าไปจากไฟที่ได้รับจากทั้งแสงความร้อนของพระอาทิตย์และความร้อนของอาหารที่เข้าไปในร่างกายที่ไปทําให้ร่างกายนี้มีไฟปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเอง เป็นเรื่องของดินน้ำนมไฟลุ่นล้วนเป็นเรื่องของอาการสามสิบสองลุ่น้วนส่วนคำว่าบุคคล น, นี้หญิงชายนี้เป็นคำที่มาจากใจใจเป็นผู้ที่ไปให้ชื่อสมมุติร่างกายแต่ละร่างว่าเป็นคนนั้นคนนี้เช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นบุตรเป็นธิดานี้ก็คือใจแต่ละดวงนี้เองที่มาครอบครองร่างกายแต่ละร่างนี้เท่านั้นใจแต่ละดวงนี้ก็เป็นเหมือนกันหมดคือไม่ตายพอร่างกายนี้ตายไปใจแต่ละดวงก็ต้องไป ตามบุญตามบาปหรือตามการพัฒนาของตนถ้าพัฒนาอยู่ในขั้นเทพก็ไปเป็นเทพถ้าพัฒนาอยู่ในขั้นพรหมก็ไปเป็นพรหมถ้าพัฒนาอยู่ในขั้นพระโสดาบันก็ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีก็ไปเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ตามลำดับไป นี่คือใจที่จะเป็นผู้เป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอาหลานตัสาวกทั้งหลายพอตายไปแล้วก็กลายเป็นธาตุไปหมดกลายเป็นดินน้ำน้ำไฟธาตุที่เหลือของพระพุทธเจ้าเราเรียกก็เราก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่คือส่วนที่เหลือที่เราที่ยังไม่ ย่อยสลายหายไปก็คือธาตุดินนี่เองธาตุน้ำนี่ก็ไปกลับไปสู่น้ำธาตุลมก็กลับไปสู่ลมธาตุไฟก็กลับไปสู่ธาตุไฟเหลือแต่ธาตุดินที่พวกเราอย่างสามารถเก็บเอาไว้บูชาได้เท่านั้นแต่ตัวของพระพุทธเจ้าเองนั้นไม่ได้อยู่ในพระธาตุตัวของพระพุทธเจ้านี้อยู่ในใจของพระพุทธเจ้า ที่ได้ไปถึงพระนิพพานแล้วได้อยู่ที่พระนิพพานก็คือที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปที่มีแต่บรมังสุขขังมีแต่บาลามสุขเท่านั้นนั่นะคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ใจของพวกเราก็สามารถเป็นอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันถ้าเราบำเพ็ญเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ถ้าเราได้ขั้นสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้สอนใจอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเลยก็ได้ขอให้ปัญญาหมุนไปทางธรรมแล้วมันจะทาลาย วัตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ธรรมจักรนี่แหละที่จะเป็นผู้ทําลายวัตจักรถ้าไม่มีธรรมจักรวัตจักรมันก็จะฉุดร่างใจของเราให้เป็นเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นได้สวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็หยุดตรงนั้นไม่เจริญปัญญาเวลาตายไปก็ต้องไปเป็นพรหมแล้วก็เสื่อมลงจากพรหมไปเป็นเทพอย่างเทพก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็ต้องกลับมาทำบุญทำทานรักษาศีลมาเจริญส ม, มะถะภาวนาใหม่แล้วก็จะกลับขึ้นไปเป็นพรมใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ประมาทถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วประมาทไม่ทำบุญไม่รักษาศีลไม่ภาวนากลับไปเสพอบายามุขดื่มสุรายาเมาเที่ยวการคืน เป็นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียจค้านถ้าประมาทแล้วไปเสพพวกอาบายามุขต่างๆนะไม่ช้ากเ็เร็วก็จะต้องไปทําบาปทํากรรมไปฆ่าบ้างไปลักทรัพย์บ้างไปประพฤติผิดประเวณีบ้างไปโกหกหลอกลวงบ้างเพราะนี่ก็คือผลที่จะตามมาจากการไปเสพอาบายามุขต่างๆนั่นเอง พอได้ทำบาปแล้วจิตก็เสื่อมแล้วเทนี้แทนที่จะพัฒนาไม่พัฒนาแล้วเป็นการฉุดลากให้จิตใจลงสู่ที่ต่ำแล้วลงสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายและเป็นนรกตามลำดับต่อไปก็จะต้องเวลาตายไปก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายทั้งสีน่นี้จนกว่าจะหมดบา จนกว่าบุญจะมีกำลังฉุดร่างให้กลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่ถ้ายัางติดนิสัยเดิมยังติดการเล่นการพ น, นันเล่นการเที่ยวกลางคืนเสพสุรายาเมาคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดค้าอยู่แล้วก็ไปเสพอบายามุกเหล่านี้อีกแล้วต่อไปก็จะไปทำบาปจะรักษาศีลห้างไม่ได้ ตายไปก็กลับไปอบายใหม่นี่คือวัตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีสองชั้นด้วยกันชั้นสูงกับชั้นต่ำชั้นสูงเราเรียกว่าสุขคติชั้นต่ำเรียกว่าทุกขติหรืออบายอบา ย, ยภูมิที่เป็นผลที่เกิดจากการพัฒนาหรือการไม่พัฒนาของจิตใจนี้เอง การจะพัฒนาหรือไม่พัฒนานี่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่บุคคลเช่นเวลาเรามาเกิดถ้าเราได้มาเกิดในครอบครัวที่ดีในครอบครัวที่มีความสนใจต่อการพัฒนาจิตใจต่อการทำบุญทำทานต่อการรักษาศีลต่อการภาวนาเราก็จะได้รับอิทธิพลจากบุคคลเหล่านี้ฉุดลากให้เราไปในทางทางที่ดี แล้วถ้าเราเป็นคนที่ไม่ไม่ดื้อดึงว่าว่านอนสอนง่ายใครสอนให้ทำอะไรก็ทำตามที่เขาสอนก็จะถูกคนดนีดึงไปในทางที่ดีได้ในทางตรงกันข้ามถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่ดีเขาก็จะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีได้แต่ถ้าเรา เคยทำอะไรจนฝูกฝังมาติดเป็นนิสัยแล้วเช่นถ้าเราเคย ท, ทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนามาจนฝังเป็นนิสัยของเราแล้วถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่กับคนไม่ดีคนที่จะชวนให้เราไปดื่มสุรายามาไปเที่ยวกลางคืนไปเล่นการพนันเราก็จะไม่สนใจเราจะไม่ชอบทำในทางตรงกันข้าม ถ้าเราได้ปลูกฝังนิสัยที่ไม่ดีไว้อยู่ในใจของเราชอบเล่นการพ น, นันชอบเดิมสุรายาเมาชอบเที่ยวกลางคืนชอบฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีกกหกหลอกลวงไปอยู่กับคนดีก็เขาก็ไม่สามารถที่จะดึงเราไปได้เพราะเรามีนิสัยชอบในทางนี้ การที่เราจะเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีได้นั้นต้องเกิดจากความสำนึกในตัวของเราเองว่าเห็นว่าการกระทำของตนนี้ไม่ดีเท่านั้นถึงจะสามารถเปลี่ยนได้ถ้ายังไม่เห็นโทษของการกระทำของตนว่าไม่ดีนาผลเสียหายมาให้เรอให้มีพระพุทธเจ้ามาพัา่มมาสอนอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนนิสัยได้ พระพุทธเจ้าจึงไม่สอนบุคคลเหล่านี้เรียกว่าบุคคลบัวเหล่าที่สี่นี่พวกที่จะต้องกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปคือเป็นพวกที่จะต้องไปเกิดในอบายนั่นเองสอนอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะเชื่อไม่มีวันที่จะฟังนี่คือลักษณะของจิตใจของสัตว์โลกต่างๆถ้าเคยทําอะไรจนติด เป็นนิสัยเป็นสันดานแล้วนี้จะแก้ยากทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดีเพราะมันจะมุ่งไปทางนั้นเพียงทางเดียวยกเว้นว่าได้มีปัญญาปรากฏขึ้นมามีความสามารถเห็นว่าพฤติกรรมของตอนนี้ไม่ดีถึงจะเปลี่ยนได้ เช่นองคุลิมานี่ก็ค่าคนมาถึง999คนแต่พอได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเห็นโทษของการกระทำของตนจึงสามารถที่จะยุติการกระทำที่ไม่ดีนี้ได้แล้วหันมากระทำในสิ่งที่ดีได้ แล้วก็สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วจนบรลรลุพระอรหันภายในชาตินี้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละดวงที่มีความแตกต่างกันเราจึงไม่ควรที่จะเอาจิตใจของเราไปเทียบไปวัดกับจิตใจของผู้อื่นเราควรที่จะดูจิตใจของเราเป็นหลัก ว่าเรากำลังขาดอะไรว่าเรากำลังทำอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีเราต้องพยายามฝืนอย่าไปทำมันการที่เราจะรู้ว่าการกระทำของเรานี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องมีมาตรฐานเป็นเครื่องวัดก็คือต้องมีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องวัดถ้าเราทำในสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ทำ ก็ถือว่าเราทําดีถ้าเราไม่ทําในสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ละ mm. ก็แสดงว่าเรายังทําในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เ mm. ช่นพระเจ้าสอนให้เรารักษาศีลห้าไม่ให้ทําบาปแต่ถ้าเรายังทําบาปอยู่นี่แสดงว่าเรายังไปในทางที่ไม่ดี mm. เราควรที่จะเปลี่ยนทิศทางของการเดินของเรา พรทิศทางที่เรากําลังเดินนี้มันนําไปสู่ความหายนะนําไปสู่ความเสื่อมนําไปสู่การเกิดในอบายนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องศึกษาพราะธรรมคาสอนอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้มีมาตรฐานคอยวัดการกระทําของเราว่าเราทําผิดทําถูกอย่างไร พระเจ้าสอนให้เราทำทานเราทำทานกันหรือเปล่าสอนให้รักษาศีลกันศีลห้าในเบื้องต้นแล้วถ้าอยากจะภาวนาก็ต้องถือศีลแปดถึงจะได้ผลดีถ้าถือศีลห้าก็ยังภาวนาได้อาจจะไม่ได้มากมายก่กองเพราะว่ามันไม่มีกำลังมากพอที่จะดึงใจให้เข้าสู่ ความสงบได้นั่นเองถ้าอยากจะได้ความสงบจากการภาวนาก็ต้องถือศีลแปดแล้ก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นในวันพระเอาวันพระมาวันหนึ่งมาเป็นวันที่เราจะมาเจริญศีลแปลและรักษาและภาวนากันทำใจให้สงบกันไปปีกวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสพจน์สัพเะ ที่จะคอยดึงใจของเราให้ออกข้างนอกไม่ให้เข้าข้างในถึงจะมีโอกาสที่จะได้เข้าสู่ความสงบถ้าเราเพียงแต่รักษาศีลห้าแล้วเราก็อยู่บ้านทำอะไรทุกอย่างตามปกติอาจจะนั่งภาวนาะตอนเวลาก่อนนอนหรือตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วในตอนเช้าอันนี้ก็จะได้เพียงเล็กๆน้อยๆ เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีเวลาว่างทั้งวันเช่นวันหยุดทํางานของเราจะเป็นตรงกับวันพระหรือไม่ก็ไม่สําคัญถ้าเรามีเวลาเราก็ถือถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ถือวันนั้นว่าเป็นวันพระของเราวันที่เราจะรักษาศีลแปดวันที่เราจะเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิ เพื่อให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบให้ได้เท่านั้นถ้าเรามีการกระทําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับในวันนั้นโอกาสที่ใจจะเข้าสู่ความสงบนี้ย่อมมีมากกว่าการทําแบบเช้าชามเย็นชามเช้าตื่นขึ้นมาก่อนไปทํางานก็นั่งสมาธิสักหน่อยเย็นตอนก่อนนอนก็นั่งสมาธิสักหน่อย ได้มั่งไม่ได้บ้างหลับบ้างไม่หลับบ้างก็ทำไปตามหน้าที่อย่างนี้ก็จะไม่ได้อะไรมากแต่อย่างน้อยก็อาจจะถือว่าเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนก็ได้เป็นการทดลองไว้ก่อนต่อไปอาจจะต้องทำอย่างจริงจังก็ได้เพราะเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรที่จะมาดับความทุกข์ได้ มันก็ต้องมาที่การภาวนานี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะการภาวนานี้แหละเป็นเครื่องมือของการดับความทุกข์อย่างแท้จริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงอาจจะเป็นเพียงแต่เบี่ยงเบนความทุกข์หรือกลบความทุกข์ไว้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่นานมันก็จะโผลกลับคืนขึ้นมาใหม่ การภาวนานี้แหละจะเป็นการดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงและดับได้อย่างถาวรถ้าได้เข้าสู่ขั้นระดับวิปัสสนาภาวนาถ้ายังอยู่ในระดับสมถะภาวนาก็จะได้การดับความทุกข์เป็นระยะระยะเป็นเหมือนกับเวลาปวดศีรษะถ้ามียาแก้ปวดรับประทานอาการปรวดศีรษะก็จะเบาบางลงไปพอฤธิของยาหมด ก็ต้องรับประทานยาใหม่ถ้าไม่ฉะนนั้นเดี๋ยวอาการปวดศีรษะก็จะเพิ่มขึ้นมาใหม่อันนี้คือลักษณะลักษณะแบบรักษาด้วยสมาธิถ้ารักษาด้วยปัญญาก็ต้องเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุของอาการปวดว่าเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากการติดเชื้อโรคก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อโรค พ อ, อยาค่าเชื่อโรคเข้าไปทำลายเชื้อโรคแล้วอาการปวดศรีรษะก็จะหายไปแล้วก็จะไม่ต้องกินยาแก้ปวดหายไปอย่างถาวรจนกว่าจะไปติดเชื้อใหม่เท่านั้นถึงยากาจเกิดอาการปวดขึ้นมาใหม่ฉันใดการภาวนาก็เป็นแบบนั้นถ้าอยู่ในขั้นสมถะภาวนาก็เป็นเพียงรักษาตามอาการแก้ที่ปลายเหตุ เวลาใจทุกข์ก็ทำใจให้สงบความทุกข์ก็หายไปแต่ต้นเหตุของความทุกข์นั้นยังมีอยู่พอใจออกมาจากความสงบต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากต่างๆก็จะโผล่กลับคืนขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ใช้วิปัสสนาภาวนาไม่ใช้ไตรลักษณ์ไม่ใช้อริยสัจสี่ก็จะไม่มีวันที่จะทำลาย ต้นเหตุของความทุกข์ใจนี้ได้แต่ถ้ามีตายักมีวิปัสสนามีอริยาาสัจส์4เข้าใจถึงหลักของอริยาาสัจ4ี่เข้าใจของของหลักของตายักก็จะสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีตัณหาอยู่ในใจแล้วจะนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิก็ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะมันไม่มีความทุกข์นั่งก็ไม่ทุกข์ไม่นั่งก็ไม่ทุกข์แต่นั่งมันก็จะสงบกว่าไม่นั่งเท่านั้นเองอต่ความทุกข์ความสุขนี้มันพอกันเท่ากันพระพุทธเจ้าพระหลานท่านจึงไม่ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อดับความทุกข์ท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อการผ่อนคลายหรือเปลี่ยนอายยาบดของร่างกายเพื่อความอยู่อย่าง สมดุลระหว่างจิตกับธาตุเท่านั้นท่านไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆเพราะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะคิดอย่างไรจะทำอะไรจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะจะไม่มีตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์มาสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเอง นี่แหละคือการพัฒนาจิตใจของพวกเราที่พวกเรากำลังทำกันอยู่นี้เราทำจากขั้นต่ำขึ้นไปสู่ขั้นสูงทำจากขั้นโลกิยะขึ้นไปสู่ขั้นโลกุตตะละถ้าเรายังไม่ได้ขั้นโลกุตตะละได้ขั้นโลกิยะก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ไม่ได้พัฒนาเลย ไปเกิดเป็นเทพหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้ยังดีกว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเป็ดไปตกนรกดั่งนั้นขอให้เราพยายามพัฒนาจิตใจของเรากันไปตามกําลังของเราอย่าไปดูคนอื่นมากจนเกินไปดูได้เพื่อเป็นตัวอย่างถ้าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีดูแล้วก็ทำให้เราเกิด ศรัทธาเกิดวิริยะอุตสาหะที่จะเพียรปฏิบัติเหมือนเขาแต่อย่าดูเพื่อให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจดูแล้วเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังจิตกำลังใจถ้าดูแบบนั้นอย่าไปดูแต่ถ้าดูแล้วทำให้เรามีความขมักขมิ้นมีความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น ก็คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนเราเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ดีแต่ถ้าไปคิดว่าโอเ้เขานั่งสมาธิได้นานเรานี่นั่งไม่ได้เลยถ้าเราจะนั่งแบบเขานี่เราคงไม่มีวันนั่งไม่ไหวแน่นอนก็ท้อแท้ไม่อยากจะทำล้วคิดอย่างนี้ก็อย่าไปคิดให้คิดว่าเราทำตามกำลังของเราไปก่อนเขา่า คงทามามากกว่าเราแล้วเขาผ่านมามากกว่าเราเขามีประสบะการณ์มากกว่าเราถ้าเปรียบเทียบเขาเป็นเหมือนผู้ใหญ่เรายังเป็นเด็กอยู่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเรายังอยู่ชั้นอนุบาลอยู่เราก็พยายามเรียนของเราไปเราอยู่ชั้นไหนเราก็เรียนของเราไปทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ถ้าเราอยู่ในขั้น ท, ทานําทานก็ทําให้มันเต็มที่ที่เรา ทำบุญใส่บาตรทุกวันก็พยายามทําไปของเราไปรักษาศีลห้าได้บ้างไม่ได้บ้างก็รักษาไปพยายามรักษาให้มันได้มากขึ้นไปตามลําดับพอรักษาศีลห้าได้แล้วก็ลองรักษาศีลแปดในวันที่เราไม่ต้องทํางานบ้างในวันที่เรามีเวลาว่างแล้วลองภาวนากันทั้งวันสักครั้งอยูที่ว่าเป็นยังไง เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติอยู่ในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือด้วยการจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายไปก็ได้ข้อสําคัญอยู่ที่การควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จําเป็นเรื่องที่จําเป็นก็คิดได้แต่ถ้าเรื่องที่ไม่จําเป็นคิดแบบ ไรสาระคิดแบบไม่มีขอบไม่มีเขตคิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆอย่าปล่อยให้คิดอย่างนั้นดึงใจกลับมาที่สติที่องค์ภาวนาคือบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูการเคลื่อนไหวดูการกระทําของร่างกายหรือการพิจารณาธรรมพิจารณาใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็ได้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ได้พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายก็ได้พิจารณาการธาตุสีที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายก็ได้ถ้าพิจารณาถ้าคิดอย่างนี้เป็นธรรมไม่เป็นปัญหาไม่ทำให้ใจฟุง้งซ่านจะทำให้ใจสงบได้แต่จะสงบมากน้อยนั้นก็อยู่ ที่ความเข้าเข้าอกเข้าใจของการพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วเข้าใจแล้วปล่อยได้ละตันหาได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้โดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ซึ่งบางครั้งก็ปรากฏขึ้นมามีคนบางคนก็เคยมาเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆอยู่ในห้องน้ำนั่งพิจารณาเรื่องความตายของคนนั่นคนนี้ของตนเอง พิจารณาไปพิจารณามาจิตมันปล่อยหมดมันนิ่งมันสงบมันเบามันเย็นมันไม่อยากได้อะไรมันไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นอนิสงค์ของการคิดไปในทางปัญญาถ้าเราไม่สามารถอยู่กับคําบริกรรมได้เราชอบพิจารณาก็ได้แต่ให้พิจารณาในกรอบของธรรมอย่าไปพิจารณานอกกรอบ ว่ามันจะไม่ทำให้ใจสงบและอาจจะทำให้ใจพุ่งซ่านขึ้นมาก็ได้ถ้าคิดไปแล้วทำให้เกิดตัณหาความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการะตัณหาก็ดีภาวะตัณหาก็ดีหรือวิภาวะตัณหาก็ดีถ้าพิจารณาแล้วเกิดตัณหาขึ้นมาต้องรู้แล้วว่าไม่ใช่เป็นธรรมแล้วเป็นกิเลสแล้วต้องหยุดแล้วต้องหาวิธีหยุดความคิดได้ กลับมาสู่การบริกรรมหรือกลับมาสู่การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือกลับมาพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำนมไฟอสุภะอาการ32นี่คือเรื่องของการภาวนาเป้าหมายก็คือให้ใจหยุดความคิดปรุงแต่งที่ไม่ดีให้คิดแต่ความคิดปรุงแต่งที่ดีหรือไม่คิดเลยก็ยิ่งดี ที่ให้คิดดีก็เพื่อให้ใจปล่อยเพราะใจปล่อยแล้วใจก็จะหยุดคิดที่คิดก็เพราะว่ายังไม่ปล่อยยังมีตันหาอยู่ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ต้องพิจารณาตายรักให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันไม่เที่ยงได้มาแล้วมันจะเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขมันไม่ใช่เป็นของเราวันหนึ่งไม่ไม่รู้ว่าเวลาใดมันจะจากเราไปะให้คิดอย่างนี้ นี่คือการปฏิบัติที่เราควรที่จะลองปฏิบัติกันในวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆเอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาใช้ใเกิดประโยชน์อย่าเอาไปใช้รับใช้กิเลสตัณหาไปเที่ยวไปช็อปปิ้งกันไปดูไปฟังไปดื่มไปประทานที่ให้ความสุขเราเชื่อประเดียวประดาวแล้วกลับมาก็ผอมแห้งแรงน้อยเหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมผิวเหมือนเดิม อยู่ไม่ติดบ้านอยู่บ้านไม่ได้อันนี้คือการใช้เวลาให้ถูกให้ให้ดีให้เป็นประโยชน์เอาเวลามาพัฒนาจิตใจของเราวันที่เราหยุดทำงานนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่เราจะปฏิบัติอย่างเข้มข้นวันที่เราต้องทํางานทำการถือว่าเป็นวันที่เราประครับประคองการปฏิบัติของเราไปคืออย่างน้อยก็ไม่ให้มันเสือ่อมไม่ให้มันถดถอยแต่วัน วันหยุดวันว่างของเรานี้เป็นวันที่เราจะรู้ดีไปข้างหน้าเราจะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการพัฒนาจิตใจถ้าเราทำงี้แล้วต่อไปเราจะทำได้มากขึ้นไปตามลา ด, ำดำับเพราะผลจะเกิดขึ้นมาให้เราได้สัมผัสรับรูบร้และจะทำให้เรามีความสุขและมีความอยากที่จะได้ความสุขแบบนี้อีกให้มากขึ้นไป เราก็แะเพิ่มวันปฏิบัติขึ้นไปเองจากอาทิตย์ละวันก็เป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสามวันทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะอยากจะทำทุกวันเคยมีงานมีการอะไรที่ต้องทำก็หยุดทำงานเสียว่าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่ามันไร้สาระผลที่ได้มาก็คือเครื่องมือของกิเลสตัณหาทั้งนั้นได้เงินได้ทองมาเอาไปใช้ทาอะไร มันก็ไปตอบสนองตันหาความอยากต่างๆเพื่อที่จะมาสร้างความทุกข์มาเหยียบย่มจิตใจของเราให้ทุกข์เพิ่มไปมากขึ้นไปเท่านั้นเองทำไปทไปให้เหนื่อยไปทำไมทำไปให้เสียเวลาทำไมเส่า เ, าเวลามาเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาไม่ดีกว่าหรือทำแล้วมันทาลายกิเลสทำลายความทุกข์ต่างๆให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปและหมดไปในที่สุด นี่แหละคือขั้นตอนของการพัฒนาจิตใจจะเป็นอย่างนี้สำหรับทุกคนทุกคนก็ต้องเริ่มจากน้อยขึ้นไปไปหามากเริ่มจากขั้นอนุบาลขึ้นไปสู่ขั้นอุดมศึกษาทั้งนั้นไม่มีใครที่จะนัดขั้นตอนนี้ได้นอกจากว่าเคยได้ทำมาแล้วก็มาทำต่อเช่นถ้าได้ผ่านชั้นระดับประถมแล้วก็มาต่อที่ระดับมัธยมได้เลย ถ้าผ่านระดับมัธยมมาแล้วก็มาต่อที่ระดับอุดมศึกษาได้เลยบางคนเกิดมาแล้วก็บวชได้เลยไม่ต้องมาอยู่เป็นขารวา่าทํบุญทํทานรักษาศีลเอแต่บางคนนี่ยังติดอยู่กับชีวิตของขารว่าอยู่ยังอยากมีครอบครัวยังมีอยากมีรางอยากมีอยากมีหน้ามีตาอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็ยัง ต้องอยู่ในขั้นของการทำบุญรักษาศีลหไปก่อนแล้วก็วันพระก็ไปอยู่วัดไปภาวนาอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนได้รับการพัฒนามาแต่ละภพแต่ละชาติไม่เหมือนกันดงั้นการปฏิบัติของแต่ละคนจึงอยู่ในระดับที่ต่างกันถึงแม้จะเกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันก็ตามแต่จิตใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ จิตใจมาจากพบก่อนๆพบก่อนๆที่ได้พัฒนาจิตใจมาซึ่งแต่ละคนมาเกิดกับพ่อแม่คนเดียวกันแต่ระดับการปฏิบัติไม่เท่ากันเหมือนกับเดินทางมาจากเมืองต่างๆแล้วมาอยู่เมืองเดียวกันไปโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันคนหนึ่งจบมัธยมก็เข้าอุดมศึกษาคนหนึ่งจบประถมก็เข้าสู่ชั้นมัธยม คนหนึ่งเพิ่งจบอนุบาลก็เข้าสู่ชั้นปฐมไปดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจว่าเราแต่ละคนนี้มีบุญมีกรรมมาไม่เหมือนกันจะให้มาทำอะไรเหมือนกันนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เราทำอะไรของเราอยู่อย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเราได้พัฒนามาถึงระดับนี้เท่านั้นเราถึงทาได้แค่นี้ที่คนอื่นก็ทาได้มากกว่านี้ก็เพราะว่าเขาไดพัฒนามามากกว่าเราแล้วนั่นเอง อันนี้ก็เพียงแต่ให้เราทําความเข้าใจไว้เท่านั้นข้อสําคัญขอให้เราดูใจของเราว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนเราทําอะไรได้ทําไปอะไรที่เรายังทําไม่ได้พยายามทําให้ได้ต่อไปแล้วเราก็จะก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับและในที่สุดก็จะพัฒนาได้อย่างเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พัฒนากันอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้ท่านจงมีความศรัทธา แนวหน่ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นแนวทางเป็นคำสอนที่จะพาให้เราไปสู่การพัฒนาจิตใจของเราได้อย่างถูกต้องได้อย่างสูงสุดคือจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและได้พบกับบรมสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นตามลำดับต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อนอยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวาเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสิลิตสะนิจังวุฒาปจายิโนจตาโรธรมมวะทานติ อายุวนโนสุขาาางังภลังด้านเนี้ก็จะมีการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดฟังแล้วไม่เข้าใจตรงส่วนไหนโดยอยากจะทราบเรื่องของธรรมส่วนอื่นที่ไม่ได้พูดก็ ขอเชิญขึ้นมาถามได้ถ้าไม่มีก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยู่ทางบ้านที่ผ่านที่ถามผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตต่อไปครับครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโตและทางกลุ่มธรรมะบนเขาและทางเพจคณะศิษย์นะครับคำถามข้อแรกจากคุณนัตตี้นะครับ ข้อที่หนึ่งเมื่อนั่งสมาธิตัวจะตรงนิ่งมากทุกครั้งแต่บางครั้งจิตก็ออกข้างนอกบ้างพอมีสติก็กลับมาภาวนาพุโทโธใหม่ถ้านั่งตัวนิ่งมากๆถือว่าเป็นการเข้าสมาธิได้หรือยังเจ้าคะคือตัวนิ่งไม่นิ่งนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะเข้าสมาธิตัวที่จะเข้าสมาธิก็คือตัวใจนะ ใจนี้ถ้ามันจะเข้าแม้แต่เดินจงกรมมันก็เข้าได้คือถ้ามันมีสติมันจดจอ่อมันไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อย่างต่อเนื่องหรือมันพิจารณาทำแล้วมันปล่อยวางได้มันก็จะเข้าสู่สมาธิได้ดังนั้นการนิ่งของใจนี้ของร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่จะไปบ่งบอกว่า เข้าสู่สมาธิแล้วร่างกายนิ่งแต่ใจอาจจะปรุงแต่งทุ้งซ่านอยู่ก็ได้งนั้นขอให้เราอย่าไปสนใจกับร่างกายเวลาที่เรานั่งสมาธิให้เราสนใจอยู่กับสังขารความคิดปรุงแต่งให้เราดูว่าตอนนี้เราสังขารของเราอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับอยู่กับเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่กับเรื่องราวต่างๆก็ต้องเดินกลับมาที่พุโทโธ หรือไม่เช่นนั้นก็มาอยู่กับอารมณ์ที่เราได้กำหนดไว้ถ้าเราใช้ลมหายใจสังขารเราก็ต้องมารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเช่นหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกส่วนร่างกายมันจะนิ่งไม่นิ่งนั้นมันเป็นมันเป็นปลายเหตุถ้าใจนิ่งแล้วร่างกายมันก็จะนิ่งตามเองถ้าใจไม่นิ่งมันก็อาจจะขยับเขยื้อนได้เช่นนั่งไปแล้วคันตรงนั้นคันตรงนี้ เดี๋ยวก็เอามือไปเกาอันนี้มันก็ไม่นิ่งแล้วงั้นอย่าไปสนใจเรื่องการนิ่งและไม่นิ่งของร่างกายเวลาเรานั่งสมาธิให้สนใจอยู่กับใจของเราว่ามันสงบหรือไม่สงบใจจะสงบก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องมีอารมณ์เดียวเช่นมีพุทโธอย่างเดียวหรือมีลมหายใจอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวใจมันก็จะเข้าสู่ความสงบเอง ถ้ามันสงบจริงแล้วมันจ ะ, ะเกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจคือมันจะเห็นความแปลกความแตกต่างของใจระหว่างที่ไม่สงบกับสงบว่าเหมือนฟ้ากับดินเหมือนกับนรกกับสวรรค์อย่างนั้นเลยก็ได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสงบจริงถ้าสงบแบบรู้สึกเฉยๆเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรแปลกแตกต่างกันอันนี้มันก็สงบแบบยังไม่ถึงยังไม่ถึงขีด สงบแบบนี้เราอาจจะเรียกว่าไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองไม่เครียดไม่ตึงแต่ยังไม่ถึงกับรวมไม่ถึงกับรู้สึกโอ้โล่งอกโล่งใจเบาอกเบาใจเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงสุดอย่างนั้นแหะถึงจะเรียกว่าสงบจริงข้อที่สองนะครับทำไมเมื่อสวดมนต์หรือกราบพระเมื่อเอ่ยคำกราบ พับบูชาพระรัตนตรัยทำไมโยมชอบมีอาการหาวทั้งที่ไม่ได้ง่วงนอนแม้แต่แผ่เมตตากับพ่อแม่ผู้ร่วงลับครูอุปชาอาจารย์ด้วยสังเกตตัวเองมานานแต่ไม่เคยถามใครเจ้าคะ่ะเพราะจิตเรามันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนมีเด็กคนหนึ่งตอนเช้าพ่อแม่เรียกมันมาใส่บาตรทุกครั้งมันจะใส่บาตรมันต้องหาวก่อนะ <laughs> ก็แสดงว่ามันคงไม่ชอบถ้าชอบมันคงไม่หาวคำถามข้อต่อไปจากคุณลิซ่านะครับเมื่อหลายปีก่อนได้เรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งสมมุติอาจารย์นำปากกามาให้พิจารณาว่าสิ่งนี้ไม่มีตัวตนโดยนำแยกทีละส่วนว่ามาจากพลาสติก มาจากทายสุดท้ายคือเป็นสิ่งที่มาประกอบรวมกันเท่านั้นเมื่อได้มองฟังและพิจารณาตามพอย้อนกลับมามองตอนเองจึงน้ําตาไหลเพราะตัวเราก็เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเช่นกันจากนั้นในชีวิตประจําวันมองบุคคลหรือของเปลี่ยนไปบ้างเริ่มคลายความยึดติดในสิ่งของหรือคนปล่อยวางมากขึ้นอยากกลับเรียนถามว่า ความเห็นหรือความเข้าใจสิ่งนี้มันจะแนบแน่นหรือสามารถจางคายได้คะเพราะเห็นว่าไม่ได้มาจากพิจารณาหลังนั่งสมาธิก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพิจารณาหลังนั่งสมาธิเท่านั้นถึงจะได้ความเห็นที่ถูกต้องคนบางคนไม่เคยนั่งสมาธิแต่พิจารณาได้อย่างที่คนที่เขาลมาเล่าให้ฟังว่าเขานั่งอยู่ในห้องน้า แล้วก็ทำให้เขาคิดถึงพ่อของเขาที่เสียไปแล้วเขาก็คิด <c oughs> ถึงคนนั้นคนนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้ตัวเขาก็จะต้องตายไปเหมือนกันแล้วใจของเขาก็สงบได้อันนี้มันก็ถ้าเราปล่อยวางได้แล้วเราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามีได้ก็ถือว่าเราได้ผลแล้วเช่นถ้าเราพิจารณาร่างกายของเรา จนกระหั่งเราเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้แล้วเราไม่ก็ไม่ทุกข์กับมันได้มันจะแ ก, แกะเ่เราก็ยินดีมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยินดีมันจะตายเราก็ยินดีไม่เดือดร้อนถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปทุกครั้งหรือเปล่าตลอดเวลาหรือเปล่า ถ้าเป็นบางเวลาบางเวลาไม่เป็นเราก็ต้องพิจารณาเวลาที่ไม่เป็นก็ต้องพิจารณาใหม่บางทีกิเลสมันยังดือ้อมันยังมันยังไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นตมันยังมีส่วนนองเหลืออยู่เราก็ต้องพิจารณาต่อไปเหมือนกับการตัดไม้เนี่ยตัดไปแล้วถ้ามันยังไม่ขาดเป็นสองท่อนเราก็ต้องตัดมันไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะขาดมันจะล้มลงไปแล้วแต่มันยังไม่ขาดเป็นสองชิ้น เราก็ต้องตัดต่อไปใจของเรากับร่างกายก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันยังติดต่อกันอยู่ยังมีพันธะมีความห่งใยมีความกังวล อ, อยู่กับร่างกายก็สแสดงว่ายังพิจารณายังไม่พอแล้วช่วงเวลาที่มันเราไม่ได้พิจารณามันก็เกิดความผูกพันขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาต่อไปพิจารณาจนกระทั่งมันไม่มีความผูกพันหลงเหลืออยู่อีกแล้ว มองร่างกายทีไรก็เฉยทุกทีมันจะแก่ก็เฉยมันจะเจ็บก็เฉยมันจะตายก็เฉยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องพิจารณาต้องดูที่ผลเป็นหลักเหมือนกินยากินยาแก้ไข้ไข้าหายแล้วจะกินต่อไหมถ้าไม่มีไข้ล้วก็ไม่กินแต่ยังมีไข้ยอยู่ก็ต้องกินต่อไปฉะนั้นถ้าใจา ย, ยังทุกข์กับเรื่องใดอยู่ก็ต้องพิจารณาต่อไปจนกว่าไม่จาไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ต้องพิจารณา คำถามข้อต่อไปจากคุณแมงปอนะครับผู้หญิงจะต้องบวชชีใช่ไหมเจ้าคะหากต้องการพ้นทุกข์คือบวชไม่บวชนี่ไม่ใช่เป็นตัวประเด็นสําคัญตัวประเด็นสําคัญอยู่ที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติมีผู้ชายบวชพระต้องเยอะแยะแต่ไม่ปฏิบัติก็ไม่ถึงพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่ว่าบวชชีหรือบวชพระอยู่ที่ว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ถึงแม้ไม่ได้บวชชีไม่ได้บวชพระแต่แต่ปฏิบัติก็ถึงพระนิพพานได้เพราะอย่างที่พูดไว้ในเริ่มต้นว่าต้องเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความดับความทุกข์เนี่ยถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วถึงพระนิพพานด้วยกันดังนั้น จะบวชหรือไม่บวชก็ไม่เป็นไรจะเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่เป็นปัญหาจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ถึงได้เหมือนกันทั้งนั้นเพราะที่เป็นเด็กเป็นผู้ชายเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายนี้มันเป็นร่างกายมันไม่ใช่เป็นจิตตัวจิตนี้ไม่ใช่เป็นหญิงเป็นชายไม่ใช่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่จิตเหมือนกันหมดทุกดวงอายุเท่ากันหมดคือถ้าจะแก่ก็แก่เท่ากันถ้าจะหนุ่มจะสาวก็หนุ่มสาวเท่ากัน ฉันขอให้เราดูที่การปฏิบัติเป็นหลักว่าเราจะเลิญสติสมาธิปัญญาหรือเปล่าเรารักษาศีลได้บสุดผุดพองหรือเปล่าเรามีใจที่ไม่ยึดไม่ติดกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหรือเปล่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือเปล่าอันนี้แหละคือตัวที่จะบ่งบอกว่าเราจะไปถึงพระนิพพานได้หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าพอเราบวชชีปั๊บเราจะ ได้พระนิพานทันทีมันไม่ใช่บวชพระแล้วเราจะได้เป็นพระอรหันต์ทันทีมันไม่ใช่เห็นั้เมืองไทยนี่มีพระต้องกี่แสนรูปก็เป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วทําไมต้องไปดิ้นหาพระอรหันต์กันแทบเป็นแทบตายในประเทศไทยนี่หาพระอรหันต์ได้ถึงทักงร้อยองค์หรือเปล่ามันอยู่ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นอย่าไปติดอยู่กับคําว่าบวชการบวชนี้เป็นเพียงเป็นการเอื้อต่อการปฏิบัติน ถ้าบวชแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องมีภาระเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตแบบคารวะนะครับไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครไปปีกไม่เวกได้อยู่คนเดียวได้ไปไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่ได้บวชก็ยังอาจจะมีพันธะกรณีต่างๆที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวกับสามีเกี่ยวกับภรรยาเกี่ยวกับบุตรธิดาเกี่ยวกับกิจกรรมกิจการอะไรต่างๆเกี่ยวกับสังคม เดี๋ยวบัตรเชิญก็มาแล้ววันเกิดก็มาแต่างงานก็มาวันตายก็มาถ้าเป็นคารวะไม่ไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคนแปลกแยกไปถ้าไปทำกิจกรรมเหล่านี้มันก็เสียเวลากับการปฏิบัติไปแต่ถ้าได้ไปบวชแล้วเขาก็จะไม่ส่งบัตรเชิญมาให้เราแล้วคำถามข้อต่อไปจะคุณทันยุตานะครับ เราจะปล่อยวางจิตเราได้อย่างไรเมื่อมีสิ่งมากระทบจากภายนอกเช่นจากผู้ร่วมงานที่อยากเป็นหัวหน้าแทนเราคือเราจะเป็นแค่ผู้รู้เฉยๆแบบง่ายใดได้อย่างไรคะเพราะจิตคอยจะเป็นผู้เข้าไปเล่นหมายถึงเป็นผู้เล่นอยู่ร่ำไปกับตัวตนและกิเลสลาบยศสรรเสริญทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ค่ะ ก็ทำตัวให้เราเป็นแจ๋วก็แล้วกันคิดว่าเราเกิดมาเพื่อมารับใช้ผู้อื่นเป็นขี้ข้าของคนอื่นใครก็อยากจะใหญ่ก็เราก็ไปสู้เขาไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะธรรมดาพวกแจ๋วนี้ก็จะไม่มาอิจฉากับพวกที่เป็นหัวหน้ากันหรอกเพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีวาสนาที่จะไปเป็นหัวหน้ากับเขาได้เั้นใครจะมาเป็นหัวหน้าเขาเขาก็รับได้ทั้งนั้น แต่ถ้าเรามาถือตัวถือตนว่าเราก็เป็นระดับหัวหน้าถ้าถืออย่างนี้แล้วพอคนอื่นจะมาเป็นเราก็รับไม่ได้ยังวิธีง่ายที่สุดซึ่งเป็นวิธีที่ทําได้ยากที่สุด <c oughs> ก็คือทําตัวให้เป็นแจ๋วให้ได้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องไปทํตาตามที่พระเจ้าสอนก็คือต้องปฏิบัติธรรมต้องทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปทําใจให้สงบไปเจริญปัญญาไปมันถึงจะทําได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณเน็ตนะครับคําสอนที่ต่างกาละและเทสะนั้นสามารถนําไปใช้ให้ผลที่เหมือนกันเสมอหรือไม่ก็ยาที่เราได้รับมาจากหมอตามเวละต่างๆถ้าเราเกิดโรคภัยแค้เจ็บแล้วยาที่เราได้รับมามันตรงกับโรคที่เราเป็นแล้วก็ใช้ได้ธรรมะที่เราได้ยินตามสถานที่ต่างๆ ต, ตาม จากครูบาจารย์ต่างๆตอนที่เราได้รับมาตอนนั้นเรายังอาจจะไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ธรรมะเหล่านั้นก็ได้แต่พอวันดีคนดีเกิดปัญหาขึ้นมาทางจิตใจใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วไปนึกถึงคําสอนของท่านได้แล้วเป็นคําสอนที่ตรงกับการมาแก้ปัญหาของเราได้เราก็ใช้ได้ขอให้ดูประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากคําสอนว่าเอามาแก้ปัญหาใจของเราได้หรือเปล่า จะเอามาดับความทุกข์ใจของเราได้หรือเปล่าเพราะธรรมะนี้เป็นเหมือนยาอย่างที่เราเรียกธรรมะโอสถเนี่ยความโลกของเราก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจถ้าเราสามารถเอาธรรมะโอสถมาแก้ได้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ตรงกับโลกของเราคําถามข้อต่อไปจากคุณอนุ ต, ตานะครับ จิตตอนนี้เป็นกลางกางเวทนาที่เกิดกับกายกับจิตรู้สึกทุกข์ไม่สบายก็พยายามทำใจกลางๆงยอมรับมันไม่ดิ้นรนมากมายอยากให้มันเป็นเหมือนแต่ก่อนและรู้สึกมีเวทนาตลอดเวลามีน้อยมากที่จะรู้สึกสุขสบายส่วนใหญ่จะรู้สึกทุกข์อคติในใจยังมีอยู่บ้างก็ตาม มันบ้างก็ตามไม่ตามบางทีก็รู้ก็ตามบางทีก็รู้ทันแต่มักจะโง่าทางด้านปัญญารู้ช้าและต้องให้มันเกิดปัญหาก่อนถึงจะคิดได้ก็ทรงๆอยู่แถวๆนี้เจ้าค่ะขอท่านอาจารย์ชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ผู้ที่ยังเดินตุวมเตี้ยมด้วยค่ะก็ท้องต้องกลับมาที่สตินั่นแนะ่ะ มาเจริญสติให้มากเพื่อทําจิตให้สงบพอจิตสงบแล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายเห็นอริยสัจ4ีได้ง่ายแล้วก็จะสามารถดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจได้ง่ายตอนนี้เราขาดเครื่องมือคือสติสมาธิและปัญญาขอให้มันเจริญให้มากๆแล้วต่อไปมันก็จะแก้ปัญหาต่างๆของใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณชุติมานะครับมีอาการปวดศีรษะข้างเดียวครึ่งวันบ่ายถึงเวลาเข้าห้องสวดมนต์เย็นจึงคิดขึ้นมาว่าจะตายแล้วมั้งไม่รู้สึกอะไรตายก็ได้ไม่ห่วงดูเหมือนจะมีอารมณ์ยอมรับปลนยินดีรุ่งเช้าตื่นมาอาการปวดหัวหายเงียบคำถามจิตหลอกให้เรายินดีว่าวางได้ ซึ่งถังขยะใบนี้จริงๆหากเกิดอาการป่วยหนักคงเป็นอีกแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะลูกรู้ซึ้งในเลขเหลี่ยมกิเลสจนไม่เชื่อตัวเองก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้อย่างนั้นอย่างมั่นใจว่าเออมันเป็นของจริงเราไม่กลัวมันจริงๆเราดับความทุกข์เกี่ยวกับความ เจ็บไข้ได้ป่วยได้กับความตายได้มันเป็นสันทิฏฐิโกที่เราจะรู้ภายในใจของเราเองเราไปถามใครไม่ได้เพราะคนอื่นเขาไม่ได้เป็นเราเขาเขาไม่ได้มาเจอความแก่ความเจ็บความตายเหมือนเราเราต้องเป็นคนที่เป็นผู้ให้คะแนนตัวเราเองว่าว่ากลัวหรือไม่กลัวทุกข์หรือไม่ทุกข์คำถามข้อต่อไปจากคุณโลตัสนะครับ เวลาสวดมนต์ร่างกายจะสั่นแต่มีสติรู้ตัวชัดตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรครับเราควรจะตั้งใจระงับอาการอย่างนั้นหรือปล่อยไปตามธรรมชาติแต่เรากำหนดรู้ดีครับคงอยากจะไปดูทนะีว <laughs> ีมั้งลองไปดูทีวีก็จะสั่นหรือเปล่า <laughs> หายสั่น่ คำถามข้อต่อไปจะุณ ป, ปอป้อนะครับผมก็ปฏิบัติเป็นช่วงๆพักๆตามกําลังใจตนในแต่ละสภาวะตอนนี้ก็ได้เริ่มกลับมาปฏิบัติใหม่โดยเริ่มจากการเดินจงกรมมาเริ่มใหม่นี้ได้จับเวลาโดยตั้งใจว่าจะเดินให้ได้หนึ่งชั่วโมงการเดินก็เป็นการตั้งใจกําหนดพุทโธในความรู้สึกที่เราเหยียบลงไปเรื่อยๆ ถึงสุดทางก็ตั้งกลับตัวเลยไม่ได้หยุดกลับตัวแล้วเดินใหม่ทาไปแบบนี้ไม่ทราบว่าผิดถูกเช่นใช่เช่นเช่นใดแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพอเดินไปได้สักพักเริ่มรู้สึกอาการง่วงนอนแต่ก็พยายามเดินต่อไปแล้วก็ระลึกพุทโธให้ติดแต่อาการก็เริ่มหนักขึ้นเช่นว่าแบบการขับรถแล้วง่วงนอนก็ขับต่อ จนแบบเกิดวูบเป็นพักๆหรือหลับในอะไรประมาณนั้นจนคิดว่าขอหยุดก่อนพอไปดูเวลาก็ยังไม่ได้ตามกําหนดคือหนึ่งชั่วโมงก็เลยเดินไปหาอาบน้ําดูพออาบเสร็จก็เริ่มมาเดินใหม่ก็เริ่มจับเวลาจากที่ตัวเองหยุดไปในบางครั้งก็เดินได้ครบเวลาหลังอาบน้ํา แต่บางครั้งก็ยังคงมีอาการง่วงนอนกลับเข้ามาใหม่เลยอยากทราบวิธีปฏิบัติเช่นนี้ถูกแล้วหรือยังถ้าถูกมีวิธีแก้การง่วงนอนนี้เช่นใดบ้างหรือถ้าผิดควรจะปฏิบัติเช่นใดอย่างที่ได้พูดไว้ว่าถ้าภาวนาจะภาวนาให้ได้ผลต้องถือศีลแปดนั้นต้องดูก่อนว่าเราถือศีลแดยอะเปล่าเพราะถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะรับประทานอาหารได้เพียงแค่ เทียงวันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรับประทานไม่ได้เมื่อเรารับประทานอาหารไม่มากปัญหาเรื่องของความง่วงนอนก็จะน้อยลงไปแต่อาจจะไม่หมดก็ได้เพราะเราอาจจะกินมากๆเผื่อไว้ก็ได้ถ้าเรายังกลัวความหิวอยู่เราก็จะต้องเจอความง่วงอย่างแน่นอนเพราะเราจะคอยกินมากๆไว้ถึงแม้จะถือศีลแปดก็ตามถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องอดอาหารหรือผ่อนอาหาระ เท่านั้นนหละถึงจะทําให้อาการง่วงนอนนี้หายไปได้แล้วอีกวิธีหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในป่าชา้าไปเดินจงกรมในป่าชา้าไปอยู่ที่เปลี่ยวที่น่ากลัวถ้ามีความน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วมันจะตื่นใจมันจะตื่นมันจะไม่ง่วงนอนนั้นเราก็ต้องหาอุบายวิธีที่จะมาแก้ปัญหาคือความง่วงนอนมีพระบางรูปท่านนั่งนั่งศัพท์ประงค์ท่านจะไปนั่งที่หน้าเหวเลย ถ้ามันสับปังอกก็หัวทิ่มลงเหวไปเลยพอมันจะหัวที่มมันก็ไม่มันไม่สับปังอกแล้วมันเตือ น, นขึ้นมาเลยนี่คือวิาบายต่างๆของพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ใช้บําเพ็ญกันมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้คําถามข้อต่อไปจากคุณนิชาพานะครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเมื่อจิตสงบทําให้การนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเร็วมาก รู้สึกตัวนิ่งสงบแต่จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจแผ่วๆพยายามจะเคลื่อนความรู้สึกให้ไปเคลื่อนไหวทั่วร่างกายจากศีรษะจะหลุดปเท้าแต่จิตไม่ค่อยจะไปจะอยู่แต่ที่ลมหายใจใต้จมูกเหนือริมฝีปากถ้าเราไม่เคลื่อนความสนใจไปทั่วร่างกายก็ไม่เป็นวิปัสสนาใช่หรือไม่และถ้าจิตอยู่ที่ลมหายใจ เท่ากับเราทําสมถะอย่างเดียวใช่หรือไม่เจ้าคะเวลาทําภาวนานี้เราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะทําทั้งสองอย่างไปควบคู่กันไม่ได้เพราะมันเหมือนกับนอนจะนอนกับก็จะทํางานนี่เราจะทําทั้งสองอย่างไม่ได้ถ้าเราจะนอนเราก็ต้องไม่ทํางานถ้าเราจะทํางานเราก็ต้องไม่นอนฉันใดถ้าเราต้องการความสงบต้องการเราก็ต้องทําแต่สมถะภาวนา คือใจจดจ่ออยู่ที่ลมอย่างเดียวนี่ถูกแล้วที่ใจมันไม่ยอมไปจากที่อื่นเ็เพราะว่ามันจะสงบมันไม่อยากจะไปไหนเวลาใจนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะอยู่ที่เดียวอย่าไปบังคับมันการนั่งภาวนานี้ก็เพื่อบังคับให้มันอยู่ที่เดียวไม่ให้มันไปรอบจะครอบจั ก, กรวาลถ้าอยากจะไปขั้นวิปัสสนานี้ต้องรอให้ออกจากความสงบก่อน ออกจากความสงบแล้วนี้จะส่งจิตไปครอบไปที่ไหนไปก็ได้แต่ไปต้องไปแบบมีธรรมไปกำกับด้วยต้องมีไตลักษ์ติดตามไปด้วยเสมอไม่ว่าจะไปสัมผัส ร, ร, รับรู้กับอะไรก็ตามต้องพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นตาลักษ์หมดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาแต่เวลานั่งเพื่อทําใจให้สงบนี้อย่าไปสนใจเรื่องวิปัสสนามันคนละเรื่องกันเหมือนกับเวลานอนหลับ พักผ่อนนี่อย่าไปสนใจกับเรื่องภารกิจการงานไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับนะคนที่นอนไม่หลับก็เพราะว่าใจยังคิดถึงงานการอยู่ยงั้นถ้าเราต้องการพรักผ่อนหลับนอนเราต้องอย่าไปคิดถึงการงานอย่าไปทำงานนอนอย่างเดียวนอนให้พอนอนให้อิ่มพอร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็กค่อยลุกขึ้นไปทา ง, งานต่อ การทำสมถาภาวนาก็เพื่อพักผ่อนจิตใจให้จิตใจมีกำลังที่จะไปทำงานทางด้านวิปัสสนาภาวนาต่อไปนั่นเองดังนั้นเวลาทำสมถาภาวนานี่ขอให้อยู่กับอารมณ์เดียวอย่าไปอย่าไปเคลื่อนไหวอย่าไปคิดปรุงแต่งให้อยู่ให้นานที่สุดจนกว่าจิตจะถอนออกมา เมื่อถอนออกมาแล้วถึงเป็นเวลาที่จะไปพิจารณาทางปัญญาต่อไปข้อที่สองหลังจากที่ปฏิบัติจนได้จิตที่สุขสงบเป็นอุเบกขามาก็ปฏิบัติสม่ำเสมอต่อเนื่องเรื่อยมาได้สามเดือนเศษแล้วมีพฤติกรรมมีนิสัยที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนพอสามีชวนไปงานแต่งงานเพื่อนชวนไปงานเลี้ยงรุ่นงานไหนก็ไม่ไปไม่อยากไป เคยตัดผมครั้งละเจ0ด0ดพันก็ตัดสั้นแบบสั้นชนิดที่ไม่ต้องหวีไม่ได้ใช้ใดเป่าผมมาเดือนเศษแล้วไม่แต่งหน้าไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยใจคิดอยากบวชเสมอๆแต่รู้ว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะความสุขสงบในใจนี้ทำให้ไม่อยากได้อะไรพระอาจารย์เจ้าคะการปรับตัวในการอยู่ในสังคมของคนที่มีจิตอุเบกขาระดับต้นๆ นี่เป็นปัญหาพอควรทีเดียวเจ้าค่ะสามีบอกว่าให้ไปงานแต่งงานด้วยกันเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าเมียทิ้งเดือนนี้มีตั้งสองงานไม่อยากไปเลยทำอย่างไรดีคะพระอาจารย์เราต้องเลือกระหว่างสามีกับความสงบถาเรายังยังต้องการสามีอยู่แล้วก็ต้องเล่นละครไปกับเขาก่อนแต่ <c oughs> เวลาไปงานก็ต้องไป แต่ไปแบบไม่มีเจตกติกระจายแต่ก็ไปแบบกิริยาอย่างนั้นะไปเพื่อไม่ให้เสียมารยาทไม่ให้เสียความรู้สึกของคู่ครองของเราแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถรักษาทั้งสองสิ่งได้เราต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องตัดสินใจออกอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องตัดสินใจออกบวชใครได้ความสงบแล้วจะต้องไปทางนี้เสมอไปทางอื่นไม่ได้เพราะทางอื่นมันร้อนมันทุกข์ ทางสงบนี้มันเย็นมันสบายต่อไปก็คงจะได้คำตอบเองคำถามข้อต่อไปจากคุณสรุตนะครับข้อที่หนึ่งการแผ่เมตตาให้กับปิดามารดาทุกวันจะช่วยให้ท่านคลายมานะทิฐิลงหันมาปฏิบัติตนให้เกื้อกูลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ได้หรือไม่ครับคือเราต้องเข้าใจคําว่าแผ่เมตตาว่าเป็นอย่างไรก่อนที่พูดนี้คงจะหมายถึงท่องไปในใจสัพเพสตาเวลาโหตุอย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเป็นการศึกษาวิธีแผ่เมตตาเท่านั้นเองวิธีแผ่เมตตาก็ต้องทําตัวเราให้ผู้อื่นเขามีความสุขถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาเช่นเวลาเจอพ่อแม่ก็อ่อนน้อมคารวกราบไหว้เชื่อฟัง เอาอกเอาใจพ่อแม่คอยดูแลพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างยอมเสียสละประโยชน์ตนยอมเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของพ่อแม่อย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาถ้าเราทําอย่างนี้แล้วพ่อแม่เขาจะเห็นความดีของเราแล้วเขาก็อาจจ ะ, ะทําในสิ่งที่เราอยากจะให้ก็ทําก็ได้แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะการแผ่เมตตาอาจจะไม่ใช่เป็นยาที่จะแก้ปัญหาของเขาก็ได้ ถ้าปัญหาของเขาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเขาก็จะต้องเห็นโทษของกิเลสตัณหาของเขาแล้วเขายาต้องศึกษาหาวิธีกำจัด ก, กิเลสตัณหาของเขาต่อไปข้อที่สองเทวดาประจำตัวมีจริงหรือไม่การที่มีคนแนะนำว่าให้แผ่เมตตาไปให้เทวดาประจำตัวของบิดามารดา ให้ท่านช่วยดนจิตดนใจสามารถทําได้จริงหรือไม่ครับเรื่องเทวดาประจําตัวนี้คงจะไม่มีหรอกแต่อาจจะมีเทวดาบางรูปที่อาจจะมีความผูกพันกับเราในอดีตอาจจะมีบุญมีคุณต่อกันเราเคยมีบุญมีคุณกับเขาแล้วช่วงนี้เขาไปเป็นเทวดาเขาอาจจะมีความรักความห่วงใ ย, ยเราก็อาจจะคอยติดตามดู แด่เราก็ได้อย่างนี้ก็เป็นไปได้อย่างที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราทําความดีไว้เราจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังั้นขอให้เราทําความดีไว้เถิดเห็นใครเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากลําบากช่วยเหลือก็ได้ช่วยเหลือเขา้เเขาไปชาตินี้เขาอาจจะเป็นขอทานเขาอาจจะเป็นคนจนแต่ตายไปเขาอาจจะไปเป็นเทวดาก็ได้ชาติหน้าเราอาจจะไปเป็นมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากก็ได้ เขาก็อาจจะมาคอยดูแลเราก็ได้ข้อที่สเวลาผมนั่งสมาธิผมมักจะมีความโลภเข้าครอบงำเพื่อที่จะดูลมหายใจที่ปลายจมูกให้ชัดทำให้การหายใจติดขัดปวดตึงขมับเวลานั่งทีไรมักจะเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดอาการตึงหรือหายใจติดขัดผมควรกำหนด ดูความไม่เที่ยงจนจิตถอยออกมาเป็นผู้ดูหรือว่าให้เลิกปฏิบัติไปก่อนดีครับและจะทำอย่างไรผมถึงจะสามารถนั่งสมาธิเพื่อจเจริญสติได้อย่างเป็นป ก, กติครับก็ต้องยึดทางสายกลางนะี่ยที่พระเจ้าสอนว่าถ้าตึงเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่ดีเวลานั่งสมาธิถ้าตั้งใจมากเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าไม่ตั้งใจเลยมันก็ไม่ดี เลาให้มันกลางๆคือให้มันเป็นเหมือนผู้รู้อย่างที่พูดนะี่แหละคือให้รู้ลมไปเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้รู้อยู่อย่างเต็มที่ตลอดเวลาก็รู้ไปรู้บ้างถ้ามันเผลอบ้างก็ดึงมันกลับมาอย่าไปเครียดกับมันะถ้าเครียดกับมันแล้วมันจะเป็นอุปสรรคขึ้นมามันจะเป็นรนวอลมันจะมีความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นมาะ ดังเราต้องนั่งแบบใจเป็นกลางเฉยๆนั่งไปตามกําลังของเราเพอบ้างไม่เพอบ้างได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นว่ามันไปตามกําลังของเราไปก่อนอย่าไปอยากว่านั่งตอนนี้ต้องนั่งให้ได้ต้องสงบให้ได้พอมันไม่สงบมันไปคิดมรุงแต่งก็โมโหโ ต, ตัวเองขึ้นมาไม่นั่งมันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ต้องใจยเย็ยนๆนะเหมือนกับเราร้อยเข็ม เข้ารูร้อยได้เข้ารูเข็มเนี่ยใจต้องเย็นเย็นมือต้องนิ่งๆ่งนะตาต้องดีแล้วก็ค่อยค่อยค่อยค่อยดันึงนเข้าไปเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็พยายามทำไปเข้าก็ดีไม่เข้าก็พยายามทำต่อไปเท่านั้นเองแหละแต่อย่าไปเครียดอย่าไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้วุ่นวายจะทำให้ไม่มีกำลังใจที่จะทาต่อไป พระอาจารย์ครับคำถามที่เหลือยกไปพรุ่งนี้ต่อครับพระอาจารย์แต่ว่ามีขอคำปรึกษาครับพระอาจารย์พระาจาย์ครับเนื่องจากช่วงนี้ธรรมะบนเขาเนี่ยผู้คนรู้จักมากมายนะครับแล้วก็มีซ d ดีรวมถึง u t u b e เนี่ยคนก็มีฟังมากมายเช่นกันครับแต่และช่วงนี้พระอาจารย์ก็งานเยอะขึ้นพอสมควรว่าจะเป็นการต้องสกายไปที่สิงคโปร์หรือในอนาคตซึ่งอาจจะมีประเทศอื่นอีกนะครับแล้วก็ พระอาจารย์ค่อนข้างเหนื่อยครับเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดว่าพระอาจารย์จะหยุดพักอาทิตย์ละสองวันหรือสามวันในช่วงพักบ่ายครับอาจารย์เพราะบางวันก็มีโยมแค่สามหรือสี่คนนะครับพระอาจารย์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับก็ไม่เป็นไรหละตอนนี้ก็ยังก็ยังพอเอาไหวอยู่ก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนอย่างเพราะคนบางคนก็อาจจะไม่ว่างวันเสาร์วันอาทิตย์เขามาวันอื่นี่ เขามาก็มาขอให้มาตามเวลาก็แล้วกันเท่านั้นหะขอเพยงเท่านั้นขอให้รู้เวลาสองเวลาที่พบเราได้ช่วงเช้าก็ที่ศาลาฉันประมาณเก้าโมงช่วงบ่ายก็สองโมงถึงสี่โมงถ้ามาสองช่วงเวลานี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราจะหายหัวมั่งก็หายมันก็ <laughs> แต่เราก็รู้จะไปไหนหรือที่ไหนก็เสื่อยู่ที่นี่ไม่ได้มันก็เลยจนตรอกงั้นถ้าพระอาจารย์เหนื่อยเมื่อไหร่พระอาจารย์บอกเลยนะครับจะได้วางแผนไว้ให้นะครับบอก<ม>แจ้งโ<ม>ยมนะล่วงหน้าซะเดือนหรือสองเดือนเขาน่าจะทราบกันนะครับไม่เป็นไรแนละ้วแล้ไม่ยังไม่มีปัญหาอะไร ที่ที่คุณพูดมาก็เพราะาคุณไปพูดถึงภาพรูปอื่นว่าท่านอยากจะหยุดสักสองปีเราก็เลยพูดเออถ้าเราหยุดได้บ้างก็คงจะดีน่แต่มันไม่ถึงกับท่านที่เราเดือดร้อนหรอกนะเราก็ยินดีมีความสุขทุกครั้งที่ญาติโยมมาหามาทางเทศฟังธรรมนี้เราไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกไม่ดีนะเรามีความสุขเพราะว่าหนึ่งเราจะได้ทาประโยชน์ของเราทาหน้าที่ของเรา สองญาติโยมก็จะได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังทำแล้วถ้าฟังแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ที่แย่ให้มันดีขึ้นได้เราก็พอใจแล้ว <c oughs> เ, อเอาแล้วนวันนี้พอสมควรแก่เวล า, <c oughs> อาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิง่งยิ่งขึ้นไปเถอ ว่าบบมีคนยุงให้ถสสั<า>งซํำมาครับก็เผื่อถามออกใหม่เลยรจะได้มีคนช่วยเยอะ